This is Thai PBS Podcasts This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังไม่โดยรัศมีมณีนินตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไม้เจอกันที่นี่เช่นเคยดิฉันรัศมีมณีนินก็มาพร้อมเรื่องสนุกๆที่จะมาเล่าให้คุณได้ฟังกันวันนี้เป็นตอนที่สองนะคะของเรื่อง Animal Farm ค่ะผลงานการเขียนของจอ o r g อ o เว e l l นักเขียนชาวอังกฤษ ถึงแม้ว่าจะเขียนมาแล้วหลายสิบปีแต่ว่าโครงเรื่องยังคงทันสมัยแล้วก็ยังคงใช้ได้กับการเมืองในหลายๆประเทศนะคะไม่แตกต่างอะไรกันเลยค่ะงานเขียนของจอร์ o ออเวลนะคะก็ถือได้ว่าเป็นงานเขียนที่มีคุณค่าในเรื่องของความคิดทางการเมือง แต่ว่าจะมีคุณค่าอย่างไรจะสะท้อนอย่างไรก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะคะใน Animal Farm ซึ่งวันนี้เสนอเป็นตอนที่2ค่ะจากความเดิมตอนที่แล้วตอนแรกผู้พันหมูอาวุโสฝันถึงการกรบฏ ท, ที่จะปลดแอกสัตว์ทุกตัวให้เป็นอิสระจากการควบคุมอยู่ภายใต้อำนาจของมนุษย์ ปรากฏว่า3ามคืนต่อมาเจ้าหมูผู้พันธ์ก็ตายจากไปอย่างสงบนะคะจากนั้นก็มีหมูหนุ่มชื่อสโนบอลนโปเลียนสโนบอลเป็นหมูร่าเริงคึกคักคล่องแคล่วมีความคิดสร้างสรรค์ส่วนนโปเลียนนี่เป็นหมูที่นิ่งๆไม่ค่อยพูดแต่ว่าเป็นคนที่สุขุมลุ่มลึกแล้วก็มีสกิลเลอร์เป็นนักพูดแล้วก็เป็นผู้ที่แบบสามารถพลิกดาเป็นขาวได้เลยทีเดียวนะ เป็นคนที่มีมีพลังช่วยสร้างแรงจูงใจได้อย่างประหลาดไอหมู3มตัวนี้เนี่ยได้ช่วยพัฒนาคำสั่งสอนของผู้พันขึ้นเป็นระบบความคิดที่พวกมันให้ชื่อว่าสัตว์นิยมแล้วก็กลายเป็นแกนนำในการที่จะอธิบายหลักสัตวนิยมให้กับสัตว์ตัวอื่นๆได้ฟังตอนนี้สัตว์ทั้งหลายในฟาร์ม ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลควบคุมของนายโจนส์ก็เริ่มมีความคิดเห็นที่จะเป็นอิสระไม่ขึ้นอยู่กับมนุษย์แม้ว่าจะเริ่มมีคำถามบ้างเช่นถ้ากบฏแล้วฉันจะได้กินน้ำตาลอยู่อีกไหมถ้ากบฏแล้วฉันจะมีริบบิ้นสวยๆที่ขนแผงคอได้อยู่อีกหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามของมอลลี่ซึ่งเป็นม้าสาวสีขาวแสนสวย ซึ่งภูมิใจในความสวยของตัวเองแต่เจ้าสโนว์บอกลับบอกว่าริบบิ้นเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นทาสไม่เข้าใจหรือไงว่าเสรีภาพมีค่ามากกว่าริบบิ้นมอนลี่ไม่ค่อยเข้าใจแต่ก็โดยบรรยากาศก็กคงจะต้องเห็นด้วยล่ะค่ะเพราะว่าแนวโน้มเนี่ยมันมันเป็นไปในทางนั้น เอาละการปลูกกระดมในฟาร์มจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเรื่องนี้จะสะท้อนให้เราเห็นอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องการบ้านการเมืองแต่ว่าเป็นการสะท้อนแบบมีอารมณ์ขันแล้วก็มีการเสียสีเยอะเยะ้เจ็บเจ็บคันคันนะคะฟังต่อไปเลยค่ะ Animal Farm George Orwell บรรดาหมูทั้งหลายก็ต้องพยายามกันอย่างหนักเพื่อที่จะต่อสู้กับคำโป้ปดที่เผยแพร่โดยโมเสสโมเสสนี่เป็นกาเป็นกาตัวโปรดของนายโจนส์นะคะคือเป็นกาที่เจ้าของฟาร์มเนี่ยเลี้ยงเอาไว้แล้วก็ไอเจ้าตัวเนี่ยเป็นสายลับแล้วก็เป็นจอมกระพือข่าว เป็นนักพูดที่ฉลาดโมเสสอ้างว่ามีดินแดนลึกลับแห่งหนึ่งที่เรียกว่าภูเขาลูกกว่าเป็นถิ่นสถิตของสัตว์ทั้งปวงที่ตายไปแล้วดินแดนนี้อยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งบนท้องฟ้าที่นั่นมีแต่วันอาทิตย์ทั้งสัปดาห์คือไม่ต้องทำงานกันละ แล้วก็มีต้นโคเวอร์ที่จะผริใบให้กินตลอดทั้งปีมีก้อนน้ำตาลมีเรียกว่ามีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะคะสัตว์ในไร่เนี่ยไม่เคยชอบไอ้เจ้าโมเสษเท่าไหร่เพราะว่ามันมันขี้โกหกแล้วก็ไม่ทำงานทำการอะไรแต่สัตว์บางตัวก็เชื่อในเรื่องภูเขาลูกกวาดคือเหมือนกับว่า มันเป็นเรื่องที่อยากจะเชื่ออยู่แล้วพวกหมูก็ต้องพยายามโต้แยง้งแล้วก็โน้มน้าวว่าไอความเชื่อแบบนั้นเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงหรอกทีนี้ก็มีสาวกที่ซื่อสัตย์ที่สุดสองตัวก็คือบ็อกเซอร์แล้วก็โคเวอร์หมาลากเวียนนะสองตัวนี้คิดอะไรด้วยตัวเองไม่ค่อยเป็น แต่เมื่อยอมรับหมูเป็นครูแล้วมันก็ซึมซับทุกสิ่งที่หมูบอกแล้วก็เอาแนวความคิดนี้ mm. เผยแพร่ไปยังสัตว์อื่นๆด้วย mm. ไอเจ้าสองตัวนี้ mm. ก็มักจะเข้าประชุมในโรงนาแบบไม่เคยขาดแล้วก็ร้องเพลงคือเป็นเรียกว่าเป็นเสียงร้องนำในเพลงสัตว์แห่งอังกฤษ ซึ่งเป็นเพลงที่ใช้ขับร้องกันเสมอเมื่อปิดการประชุมเหมือนกับว่าเป็นเพลงมาร์ชอะไรอย่างเงี้ยนะปรากฏว่าการก่อกบฏทเกิดขึ้นก่อนเวลาที่ใครๆคาดเอาไว้มากเลยทีเดียวคือไอเจ้าหมูผู้พันก็มีความฝันว่าสักวันหนึ่งจะเห็นบรรดาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยปลดแอกใช่ประกาศอิสระภาพจากมนุษย์แต่มันเองก็ไม่รู้ว่าการกรบฏแบบนี้เนี่ยจะทาสาเร็จได้เมื่อไหร่ ปรากฏว่าทำได้ง่ายและก็เร็วกว่าที่คิดคือในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเจ้าของไร่ก็คือนายโจนส์เป็นชาวไร่ชาวนาที่มีความสามารถคนหนึ่งแม้ว่าจะเป็นเจ้านายที่เคี่ยวเข็นแต่ว่าหลังๆนายโจนส์เคราะห์ร้ายค่ะ เกิดความท้อแท้ในชีวิตหลังจากสูญเสียเงินทองไปในคดีความแล้วก็หันมาดื่มหนักเกินกว่าที่จะเป็นผลดีต่อสุขภาพบางครั้งในโจนสก็จะนั่งแมะเป็นวันๆอยู่ที่เก้าอี้ไม้ในครัวแล้วก็อ่านหนังสือพิมพ์ดื่มเหล้าบางวันก็เอาเปลือกขนมปังเนี่ยจุ่มเบียแล้วก็ป้อนโมเสสก็คือป้อนไอ้เจ้ากาที่เลี้ยงเอาไว้เนี่ยนะ คนงานของนายโจนส์ก็ขี้เกียจแล้วก็ไม่ซื่อสัตย์ไรนาก็เต็มไปด้วยวัชพืชหลังคาอาคารก็เรียกว่าผุผูพังๆนะคะพุ่มไม้ที่ปลูกเอาไว้ก็ไม่มีใครดูแลสัตว์ก็ได้อาหารไม่พอกินคือเจ้าของไร่มีปัญหาชีวิตเกิดการท้อทแท้เอาแต่ดื่มอะคะ่ะเอาแต่เมา คนเราพอเมาก็ขาดความสามารถในการที่จะควบคุมตัวเองและก็ควบคุมคนอื่นด้วยกิจการงานใดๆที่ควรจะทำให้สำเร็จลุล่วงก็ไม่ได้ทำพอถึงเดือนมิถุนายนในวันก่อนวันกลางหรือฤดูร้อนซึ่งปีนั้นตรงกับวันเสาร์นายโจนเข้าเมืองแล้วก็ไปดื่มเหล้า ที่ราเล่านะคะจนกระทั่งเมาแอ๊แล้วก็ไม่กลับบ้านจนกระทั่งเที่ยงวันอาทิตย์คนงานบีดนมโคแต่เช้าแล้วก็ออกไปลากระต่ายโดยไม่สนใจที่จะให้อาหารสัตว์คือเจ้านายไม่อยู่ก็เลยร่าเริงไม่ทํางานเหมือนกันเมื่อในโจรกลับมาถึงบ้านก็นอนหลับทันทีเพราะว่าดื่มมาหนัก นอนหลับที่เก้าอี้นวมยาวในห้องนั่งเล่นเมื่อถึงตอนเย็นพวกสัตว์ก็ยังไม่ได้กินอะไรเพราะว่าไม่มีใครให้อาหารในที่สุดค่ะพวกมันก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปบัวตัวหนึ่งก็ขิดประตูจนกระทั่งประตูพังสัตว์ทั้งหลายก็เริ่มเข้ามากินอาหารคือมาหาอาหารกินเองจากถังเก็บอาหารตอนนี้เองในโจนส ตื่นไ่เห็นพอดีจากนั้นในโจนสแล้วก็คนงานทั้งสี่ก็เข้ามาในฉางพร้อมกับแซ่ที่หวดสบัดไปทุกทิศแต่ว่าบรรดาสัตว์หิวมากมันก็ไม่อาจจะทนทานเช่นนั้นได้นะคะมันก็สู้อ่ะพากันเข้ามารุมต่อสู้เพื่อที่จะขัดขืน แม้จะไม่เคยนัดหมายกันเอาไว้ก่อนเลยนายโจนส์และคนงานก็โดนวิดโดนเตะจากรอบด้านโดยไม่ทันได้ตั้งตัวคือสถานการณ์นี้บรรดาสัตว์ทั้งหลายมันก็ไม่เคยนัดแน่กันมาก่อนว่าเออมันจะรวมตัวกันแล้วก็มาต่อต้านหรือว่าต่อสู้กับนายโจนส์แล้วก็คนงานอะไรแบบนี้คือไม่ได้เตรียมกันไว้ก่อนแต่เนื่องจากว่า อันหิวมันไม่มีอะไรกินเป็นไปตามธรรมชาติในที่สุดค่ะในโจรสแล้วก็คนงานเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้พวกเขาไม่เคยเห็นสัตว์มีพฤติกรรมเช่นนี้มาก่อนนะคะคือสัตว์ก่อนเนี่ยมันก็มกักจะกลัวเจ้าของไงเคยเคียนตีแล้วก็ทำทารุณต่างๆตามแต่ใจแต่จู่จูไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะคะมันก็ลุกขึ้นมาขัดขืนต่อสู้ นายโจนส์ Jones, แล้วก็คนงานก็ตกใจแทบคุมสติไม่อยู่เวลาผ่านไปเพียงครู่เดียวค่ะฝ่ายคนก็ยอมแพ้พากันวิ่งหนีไปตามๆกันโดยมีบรรดาสัตว์ทั้งหลายวิ่งไล่ตามไปด้วยความดิงโลดในใชัยชนะที่ไม่คาดฝันส่วนคุณนายโจนส์ภรรยาของนายโจนส์ มองออกมาจากหน้าต่างห้องนอนพอเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นก็รีบกวาดข้าวของบางอย่างใส่กระเป๋าผ้าแล้วก็หลบออกจากฟาร์มไปอีกทางหนึ่งโมเสษเจ้ากาแสนรู้ที่เป็นสปายสายลับเนี่ยก็บินตามคุณนายโจรสไปในขณะเดียวกันพวกสัตว์ก็ไล่ในโจรสและพวกคนงานออกไปสู่ถนนหลักแล้วมันก็ช่วยกันปิดประตูรัว้วกันไม่ให้พวกมนุษย์เข้ามาอีก ยึดอำนาจเสลยนี่ล่ละค่ะการกรบฏจึงประสบความสำเร็จก่อนที่สัตว์จะทันรู้ตัวด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นในโจนถูกขับไล่ไปเรียบร้อยแล้วและตอนนี้แมนเนอร์ฟาร์มก็ตกเป็นของพวกมันนับได้ว่าเป็นความสำเร็จที่มาเร็วเกินกว่าที่จะคาดคิดแล้วก็เป็นการลงมือที่พวกมันเองก็ไม่ได้นัดแน ะ, ตตะเตรียมอะไรกันมาก่อนเลยเป็นไปตามธรรมชาติ คืออินเนอร์ลุ้นลวนนะคะตอนแรกๆบรรดาสัตว์ทั้งหลายก็แทบไม่อยากเชื่อกับโชคชะตาและก็สิ่งที่ปรากฏสิ่งแรกที่พวกมันทำก็คือพากันวิ่งอย่างเริงร่าไปรอบอาณาเขตของฟาร์มเพื่อจะให้แน่ใจว่าไม่มีมนุษย์หลบซ่อนอยู่ที่ไหนอีกจากนั้นก็วิ่งกลับมายังหมู่อาคารของฟาร์มเพื่อลบล้างร่องรอย จากยุคสมัยที่พวกมันชิงชังเมื่อครั้งที่ในโจรเนี่ยครอบครองฟาร์มแห่งนี้พวกมันพังประตูเข้าไปในห้องเก็บเครื่องเทียมสัตว์ซึ่งตั้งอยู่ตรงสุดโรงคอกเครื่องเทียมสัตว์ก็คือบรรดาพวกบางเหียนป่าควงสนตะพายโซล่ล่ามหมาอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะบรรดาอุปกรณ์มีดที่ในโจรสเนี่ยเคยใช้ต้อน เ, อเคยใช้ตอนหมูและแกะคือเรียกว่า บรรดาอุปกรณ์ทั้งหลายที่เคยใช้ควบคุมอ่ะควบคุมบรรดาสัตว์เคยใช้ในการตอนอ่าทำมันอะไรเงี้ยนะซึ่งก็สร้างความเจ็บปวดให้กับบรรดาสัตว์บรรดาสัตว์ต่างๆเหล่านี้ก็เอาอุปกรณ์เหล่านี้ค่ะเอาไปทิ้งลงบ่อ น, น้ําเกลี้ยงไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสายบังเหียนสายล่ามคอแผ่นบังตาม้าถุงใส่อาหารที่ใช้ผูกครอบปากม้าก็ถูกเอาไปเผาไฟ แรกก็เช่นเดียวกันค่ะในโจนเนี่ยก็เคยใช้แสกในเขียนตีพวกมันมานับครั้งไม่ทวนตอนนี้สัตว์ทุกตัวมีความสุขมากนะคะกระโดดโลดเต้นเบริงรล่า ด, ด้วยความยินดีเจ้าสโนโบอลโยนริบบิน้นใส่กองไฟเผาไปด้วยค่ะเพราะว่าริบบิ้นพวกนี้มักใช้ผูกประดับขนแผงคอและก็หางของม้าในวันออกร้านที่ตลาดสโนโบอล บ, บอกว่าริบบิ้น ควรจะถือว่าเป็นเสื้อผ้าซึ่งเป็นเครื่องหมายของความเป็นมนุษย์สัตว์ทั้งปวงควรจะเปือยกายนี่ประกาศกศักดิ์ศรีความเป็นสัตว์นะคะเป็นสัตว์ก็ไม่ควรจะสวมเสื้อผ้าบ็อกเซอร์ได้ยินดังนั้นบ็อกเซอร์นี่เป็นม้านะก็ถอดหมวกฟางใบเล็กมาโยนใส่กองไฟไปพร้อมกันหมวกใบนี้มันใช้สวมใส่ในฤดูร้อนเพื่อกันแมลงหวี่มแมลงวันมาตอมหู แต่ในเมื่อมีอุดมการก็ต้องเคารพอุดมการในไม่ช้าค่ะสัตว์ก็ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เตือนให้นึกถึงในโจนไปจนหมดสิน้ hm. นเจ้านโปเลียนก็พาฝูงสัตว์กลับมายังโรงฉางแล้วก็แจกข้าวสาลีให้ทุกให้ไม่ใช่ทุกคนแม่ติด MM. ให้ทุกตัวเพิ่มอีกหนึ่งเท่าจากของที่เคยได้รับปันส่วนแล้วก็แจกขนมปังกรอบสองชิ้นให้กับสุนัขแต่ละตัว และทุกตัวก็พากันร้องเพลงสัตว์แห่งอังกฤษตั้งแต่ต้นจนจบถึงเจดเที่ยวคือฮึกเหอมากหลังจากนั้นก็พากันนอนแล้วก็เป็นการนอนที่บรรดาสัตว์ทั้งหลายหลับสนิทสบายกว่าที่เคยเป็นมาแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะพวกสัตว์ก็ตื่นตอนเช้าตรู่เช่นเคยและเมื่อนึกถึงเรื่องแสนวิเศษที่เกิดขึ้นเมื่อวาน ต่างก็วิ่งกรูเกลียวออกไปในทุง่งพากันวิ่งกรูขึ้นไปบนโคกและก็มองไปรอบตัวท่ามกลางแสงสว่างแห่งอรุณรุง่งเตือนสติตัวเองว่าใช่แล้วฟามแห่งนี้เป็นของพวกมันทุกสิ่งที่เห็นได้ตกเป็นของพวกมันแล้วไม่มีมนุษย์ที่จะมาควบคุมบังคับมันอีกต่อไป เมื่อคิดเช่นนี้นะคะทุกตัวก็แบบโอ้ยมีความสุขเหลือเกินพากันกระโดดโลดเต้นไปรอบๆเพ่นผล่กระโจนขึ้นกลางอากาศด้วยความลิงโลดบางตัวก็กลิ้งเกลือกกับน้ําค้างแล้วก็กินหญ้าที่แสนหวานของฤดูร้อนเต็มปากอย่างมีความสุขบางก็ตะกุยดินดําขึ้นดมกลิ่นดินอันหอมฉุยพอหลังจากเริงร่ามีความสุขกับอิสระภาพ ก็พากันออกตรวจดูทั่วฟาร์มสำรวจบริเวณที่ไถเอาไว้แล้วทุงยาแห้งสวนผ ล, ลไม้สะน้ำแล้วก็หมู่ไม้ที่ปลูกเอาไว้เป็นหย่อมๆบรรดาสัตว์ทั้งหลายปราปรื้มจนพูดไม่ออกกับชัยชนะที่ได้รับจนกระทั่งถึงตอนนี้มันก็ยังแทบไม่เชื่อว่าสิ่งที่เห็นทั้งหมดเนี่ยตกเป็นของพวกมันมเรียบร้อยแล้ว อิสรภาพและชัยชนะอันแสนหวานหลังจากนั้นพวกสัตว์ก็กลับไปยังหมู่อาคารของฟาร์มแล้วก็มาหยุดนิ่งเงียบที่หน้าประตูบ้านของนายโจนส์แล้วก็ย้ำเตือนตัวเองว่านี่ก็เป็นของพวกมันแล้วเช่นกันแต่สำหรับบ้านนายโจนส์เป็นที่ที่บรรดาสัตว์ยังคงหวาดผาวาและก็ไม่กล้าเข้าไปข้างใน เพราะว่าในโจรเนี่ยเคยควบคุมแล้วก็เคยเคี่ยนตีพวกมันแต่พอเวลาผ่านไปครู่หนึง่งเจ้าสโนโบอลแล้วก็นโปลเลียนก็ใช้ไหล่ดันประตูให้เปิดออกแล้วบรรดาสัตว์ก็เดินเรียงหนึ่งเข้าไปเดินเข้าไปอย่างระแวดระวงังเพราะเกรงว่าอาจจะไปกระทบรบกวนสิ่งใดๆพวกมันเดินย่องจากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่งแล้วก็ไม่กล้าพูดจา ก, กันด้วยเสียงดังกว่ากระซิบ ได้แต่จ้องด้วยอาการตะลึงงนินแล้วก็ดูความหรูหราเหลือเชื่อคือปกติแล้วไม่เคยเข้ามาในบ้านพักของนายโจนส์ไงตอนนี้มีโอกาสแล้วนะคะก็มาทัวร์สันหน่อยได้เห็นเตียงที่ปูเอาไว้ด้วยที่นอนยัดขนสัตว์เห็นกระจกเงาเก้าอี้นวมยาวที่ยัดด้วยขนมา้าได้เห็นพรมขนแกะนา น, นุ่มเห็นภาพหิน เ, เป็นภาพพระบรมสาทิสลักษ์ของพระนางเจ้าวิกตเรียเหนือแท่นเตาผิงในห้องนั่งเล่นในขณะที่พวกสัตว์กําลังกลับลงบันไดก็พบว่าอา้าวไอเจ้ามอรลี่หายไปแล้วเมื่อย้อนกลับขึ้นมาใหม่ก็พบว่ามอรลี่ยังอยู่ในห้องนอนซึ่งเป็นห้องที่ดีที่สุดแล้วก็ไปหยิบริบบิ้นสีฟ้าเส้นหนึ่งมาจากโต๊ะเครื่องแป้งของคุณนายโจลส์แล้วก็ยกขึ้นทาบกับไหล่ ทำท่าชื่นชมความงามของตัวเองในกระจกสัตว์ตัวอื่นๆเห็นเช่นนั้นนะคะก็ตำหนิมอลลี่อย่างรุนแรงแล้วก็กลับออกไปข้างนอกตอนนี้มีการนำหมูแฮมที่ถูกแขวนอยู่ในครัวเนี่ยเอาไปฝังถังเบียในห้องซักล้างกลางบ้านหลังบ้านขออภยัยก็ถูกไอ้เจ้าบ็อกเซอร์นี่เตะซะแตกไปเลย นอกเหนือจากนี้บรรดาสัตว์ทั้งหลายก็ไม่ได้แตะต้องสิ่งอื่นใดในบ้านแล้วก็มีมติเป็นเอกฉันท์ที่นั่นว่าจะต้องเก็บรักษาบ้านไร่แห่งนี้เอาไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ค่ะทุกตัวตกลงกันว่าห้ามสัตว์ตัวใดพักอาศัยอยู่ในบ้านนี้ตลอดการต้องเก็บเป็นพิพิธภัณฑ์เอาไว้ศึกษาเรียนรู้มเมื่อสัตว์กินอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อย สโนบอลและนโปเลียนก็เรียกประชุมบรรดาสภัสสทั้งหลายอีกครั้ง What's u h a, a, a สหายทั้งหลายขณะนี้เป็นเวลา6 3โมงครึ่งและเรายังต้องมีอะไรทำอีกมากทั้งวัน <'s> วันนี้เราจะเริ่มเกี่ยวย่าแต่ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องจัดการก่อนอื่น พวกหมูบอกว่าในช่วง3ามเดือนที่ผ่านมาพวกมันได้หัดอ่านเขียนหนังสือจากหนังสือหัดเขียนอ่านเก่าๆเล่มนึงของลูกๆในโจรสเป็นหนังสือที่เขาโยนทิ้งกองขยะแล้วนปโปเลียนสั่งให้เตรียมกระป๋องสีสีขาวและสีดำแล้วมันก็เดินนําลงไปยังประตู ร, รั้วไม้ของฟาร์มที่เปิดออกสู่ถนนหลักจากนั้นสโนบอลซึ่งเป็นหมูที่มีฝีมือในการเขียนที่สุด ก็ใช้ข้อข้อเท้าทั้งสองข้างเนี่ยจับแปลงและก็ทาสีกรบคำว่าแมนเนอร์ฟาร์มที่เขียนเอาไว้บนไม้แผ่นบนสุดของบานประตูแล้วเขียนคำว่า Animal Farm มลงไปแทนนี่จะเป็นชื่อของฟาร์มแห่งนี้นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปอาล่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะตื่นเต้นนะใครที่ยังไม่เคยอ่านติดตามต่อไปได้ค่ะ ว่าบรรดากบทสัตว์เหล่านี้เนี่ยจะทำอย่างไรต่อไปนะคะกับชีวิตใหม่ของพวกมันและชีวิตใหม่ของพวกมันจะงดงามและก็ดีงามเหมือนกับที่เคยฝ่ฝันเอาไว้หรือไม่ติดตามต่อช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน มาถึงช่วงที่สองตอนที่สองของ Animal Farm งานเขียนของจอร์ g ออร์เวลนะคะซึ่งในภาษาไทยก็มีแปลอยู่หลายสำนวนด้วยกันแต่ว่าสำนวนที่ดิฉันใช้อยู่ตอนนี้เป็นของคุณบัญชาสวนานนท์จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ไต้ฝุ่นใช้ชื่อว่า Animal Farm สงครามกบฏของสัตว์ระสค่ะก็มีพิมพ์กันหลายสำนักพิมพ์นะคะ ตอนนี้บรรดาสัตว์ทั้งหลายได้ขับไล่ตะเพิดมนุษย์ไปเรียบร้อยแล้วนายโจนส์และภรรยาแล้วก็คนงานนะคะตกอกตกใจออกไปจากฟาร์มแล้วค่ะและบรรดาสัตว์ก็ยึดฟาร์มเป็นของตัวเองมีการเปลี่ยนชื่อฟาร์มจากแมนเน f a r ฟาร์มมาเป็นแอนิมอลฟาร์ม ประกาศยังเป็นทางการค่ะว่าต่อไปนี้ฟาร์มนี้จะเป็นของแอนิมอลก็คือบรรดาสัตว์ทั้งพวงนั่นเองนะคะแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะดีงามเหมือนอย่างที่พวกมันคิดเอาไว้หรือไม่ฟังกันต่อไปเส้นทางนี้ไม่ง่ายและก็ยังยาวนักเชิญฟังได้เลยค่ะกับ Animal Farm ตอนที่2ช่วงที่สองค่ะ หลังจากนั้นเมื่อเปลี่ยนชื่อฟาร์มเสร็จเรียบร้อยบรรดาสัตว์ก็พากันกลับไปยังหมู่อาคารของฟาร์มซึ่งโนบอลแล้วก็นโปเลียนสั่งให้เอาบันไดลิงตั้งพิงเอาไว้ที่ผนังด้านในสุดของโรงนาใหญ่หมูสองตัวอธิบายบอกว่าจากการศึกษาในช่วงสามเดือนที่ผ่านมามันได้สรุปหลักการของลัทธิสัตวนิยมย่อลงมาไดเป็นบัญญัติเจประการด้วยกัน ซึ่งบัตรนี้จะได้จารึกเอาไว้บนผนังให้ทราบโดยทั่วกันนี่เป็นกฎหมายที่สัตว์ทุกตัวใน Animal f a r ร์มจะต้องปฏิบัติตามตลอดไปสซโนโบอลปีนขึ้นไปลงมือเขียนด้วยความทุลักทุเลอยู่บ้างนะคะเพราะว่านึกภาพของหมูหมูปีนบันไดลิงแล้วก็ไปเขียนหนังสือแน่นอนนะคะหมูไม่ใช่ลิงก็ไม่ค่อยถนัดอยู่แล้ว แต่ว่าก็มีเจ้าสคว i เลอร์คอยถือกระป๋องสีเอาไว้ให้แต่อย่างไรก็ตามค่ะการเขียนก็ผ่านไปได้ด้วยดีบัญยัติเจ็ดประการเขียนด้วยอักษรสีขาวบนผนังน้ำมันดินอักษรตัวโตวมองเห็นได้ไกลมีข้อความดังนี้ค่ะบัญญัติเจ็ดประการขึ้นหนึ่ง สิ่งใดไปด้วยสองขาย่อมเป็นศัตรู 2. ส, สิ่งใดไปด้วยสี่ขาหรือมีปีกย่อมเป็นเพื่อน 3. ห้ามสัตว์ทุกตัวสวมเสื้อผ้า 4. ห้ามสัตว์ทุกตัวนอนบนเตียง 5. ห้ามสัตว์ทุกตัวดื่มสุรา หห้ามสัตว์ทุกตัวฆ่าสัตว์ตัวอื่นและเจ็ดสัตว์ทุกตัวเสมอภาคกันข้อความเหล่านี้เขียนเอาไว้อย่างประนีตและก็สะกดถูกต้องทั้งหมดเลยยกเว้นคำว่าเพื่อนที่สะกดว่าเพี้ยนและอักษร S ตัวหนึ่งเขียนกลับด้าน ก็คือพูดง่ายว่าก็มีเขียนผิดเขียนเพี้ยนไปบ้างตามประาศาสตร์สโนบอลก็อ่านดังๆให้เพื่อนๆฟังสัตว์ทุกตัวพยักหน้าเห็นด้วยทุกประการและตัวที่ฉลาดกว่าเพื่อนก็เริ่มท่องจำบัญญัติได้จนขึ้นใจในทันทีเอาละเพื่อนๆเราจงไปที่ทุ่งหญ้ากันเถอะขอให้เราถือว่านี่เป็นเรื่องศักดิ์สิทที่เราจะต้องเกี่ยวหญ้าได้เสร็จเร็วกว่าที่นายโจนและคนงานทาได้ Snowball ร้องประกาศแล้วก็โยนแปลงสีลงแต่ในตอนนั้นมวีวัวสามตัวดูท่าทางมันอึดอัดใจมาพักใหญ่มันก็ส่งเสียงร้องขึ้นคือตอนนี้ไม่มีใครรีดนมมันมานาน24ชั่วโมงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเต้านมนี่โหเป่งคัดแทบระเบิดเลยทีเดียว หลังจากใคร่ครวนเล็กน้อยหมูก็สั่งให้ไปเอาถังมาเอามารีดน ม, มวัวก็ทำได้สำเร็จดีพอสมควรถามว่าใช้อะไรรีดใช้ข้อเท้าของหมูนี่ลคะค่ะ ซึ่งก็สามารถปรับใช้ทำงานเช่นนี้ได้ดีพอสมควรนะคะในไม่ช้าบรรดาสัตว์ก็มีนมที่อุดมด้วยครีมแล้วก็เป็นฟองฟ อ, ฟอดถึงหถังสัตว์หลายตัวก็มองด้วยความสนใจตัวหนึ่งก็ถามบอกว่าเฮ้ย hey, จ้าเอานมั้งหมดไปทำอะไรอะ่ะแม่ไก่ตัวหนึ่งก็บอกว่าบัมครกในโจนส์เคยแบ่งมาผสมอาหารให้กับพวกเรานะนโปเรียนบอกว่า อย่าไปสนใจน้ำนมเลยเรื่องนั้นจะได้รับการจัดการแต่การเกี่ยวหญ้าสําคัญกว่าสโนโบอลจะนําทางพวกเจ้าไปส่วนฉันจะตามไปในไม่กี่นาทีนี้เดินหน้าเถิดหญ้ารอให้เกี่ยวอยู่แล้วดังนั้นพวกสัตว์ก็แห่กันลงไปที่ท้องทุ่งและก็เริ่มเกี่ยวหญ้าและเมื่อกลับมาถึงตอนเย็น ทุกตัวก็สังเกตเห็นว่าน้ำนมหายไปแล้วตั้งห้าถังนะคะหายไปหมดแล้วเอ๊ยยังไงบรรดาสัตว์ทั้งหลายค่ะตอนนี้ตรักตรามทำงานอาบเหงื่อตางน้ำโดยการเกี่ยวหญ้าแต่ความพยายามของพวกมันก็ได้รับผลตอบแทนอย่างดีเพราะว่าการเก็บเกี่ยวครั้งนี้ประสบความสำเร็จแบบเกินคาดค่ะ บางครั้งงานก็ยากลำบากเพราะว่าเครื่องมือเนี่ยออกแบบเอาไว้สําหรับให้มนุษย์ใช้มีใช้ให้สัตว์ใช้เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นข้อเสียเปรียบอย่างมากนะคะที่ไม่มีสัตว์ตัวใดสามารถใช้เครื่องมือซึ่งต้องอาศัยการยืนบนขาหลังทั้งสองข้างคือมันเป็นเครื่องเครื่องมือของคนสัตว์ก็ใช้ไม่ถนัดแต่อย่างไรก็ตามหมูก็ฉลาด สามารถจะคิดหาวิธีแก้ไขข้อติดขัดได้ทุกเรื่องส่วนม้าก็รู้จักท้องทุ่งทุกตารางนิ้วและที่จริงก็รู้จักตัดหญ้าแล้วก็ใช้คลาดกวาดหญ้าที่ตัดแล้วได้ดีกว่าพวกโจ์แล้วก็คนงานมากนะักงานนี้หมูไม่ได้ลงแรงอะไรเลยนะคะแต่ว่าทำหน้าที่กำกับแล้วก็ดูแลสัตว์ตัวอื่นๆหมูมีความรู้ดีกว่าก็เลยเป็นธรรมดาที่ต้องรับหน้าที่เป็นผู้นา บ็อกเซอร์และโคเวอร์ซึ่งเป็นม้าก็จะเข้าเทียมรถตัดหรือว่ารถคราดแล้วก็เดินย่ำไปไม่หยุดรอบทุง่งโดยมีหมูตัวหนึ่งเดินไล่หลังว่าเอา้าเร็วเข้าวู้ถอยก่อนก็แล้วแต่กรณีสัตว์ทุกตัวถึงแม้ว่าจะตัวเล็กตัวน้อยแต่ก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือในการโกยเก็บหญ้าที่ตัดแล้ว แม้กระทั่งพวกเป็ดไก่ก็จะช่วยใช้จะ ง, งอยปากคาบใบหญ้าเล็กๆวิ่งไปมาช่วยขนหญ้าทั้งกลางเรียกว่าทั้งกลางแดกคือไม่มีเกี่ยงงอนอะไรกันเลยเต็มอกเต็มใจที่จะช่วยกันทำงานอย่างแข็งขันจนในที่สุดค่ะบรรดาสัตว์ทั้งหลายก็สามารถเกี่ยวหญ้าดได้สำเร็จเร็วขึ้นกว่าที่ในโจนส์และก็คนงานสามารถทาได้ตามปกติถึง2วันยิ่งไปกว่านั้น นี่เป็นการเก็บเกี่ยวที่ได้ผลผลิตมากที่สุดเท่าที่เคยทำได้ในฟาร์มแห่งนี้แม่ไก่และเป็ดที่ตาคมกริบเที่ยวเก็บยาทุกกา้านทุกใบแบบไม่เหลือหลอแล้วก็ไม่มีสัตว์ตัวใดแอบขโมยกินยาเลยแม้แต่คำเดียวตลอดฤดูร้อนนั้น บรรดาสัตว์ทั้งหลายทำงานในฟาร์มอย่างหนักไม่หยุดย่อนแต่ว่าทุกตัวก็มีความสุขสุขอย่างที่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้มาก่อนอาหารแต่ละคำช่างนำความสุขมาให้อย่างจับใจเพราะว่าตอนนี้เป็นอาหารของพวกมันอย่างแท้จริงเป็นอาหารที่ผลิตโดยสัตว์เพื่อสัตว์ไม่ใช่อาหารที่มนุษย์กัดฟันเจียดแบ่งมาให้อย่างไม่เต็มใจ เมื่อประศจากพวกมนุษย์ก็มีอาหารมากขึ้นสำหรับสัตว์ทุกตัวพวกมันมีเวลาพักผ่อนหย่อนใจมากขึ้นด้วยค่ะแต่ว่าสัตว์ก็ยังขาดประสบการณ์จ ะ, จะเจอกับอุปสรรคต่างๆมากมายเช่นในช่วงต่อมาของปีเมื่อเก็บเกี่ยวข้าวสาลีได้สัตว์ก็ต้องเดิน เ, เดินย่าข้าวแบบโบราณแล้วก็ใช้ลมปากเป่าแกบให้ปลิวออก เพราะว่าฟาร์มแห่งนี้ไม่มีเครื่องสีข้าวแต่ว่าอาศัยความฉลาดนะคะอาศัยความฉลาดของหมูแล้วก็ความแข็งแรงอของของม้าคือบ็อกเซอร์ก็ทำให้สัตว์ทั้งหลายสามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไปได้บ็อกเซอร์นี่ได้รับความชื่นชมจากสัตว์ทุกตัวเป็นสัตว์ที่ทรงพลังมากๆ เคยทำงานหนักมาตั้งแต่ในยุค ข, ของนายโจแนส์แล้วนะคะแล้วก็พอมาถึงตอนนี้ดูเหมือนว่าเจ้าบ็อกเซอร์เนี่ยก็จะทํางานหนักยิ่งขึ้นเหมือนม้า3มตัวมากกว่าตัวเดียวคือมีตัวเดียวแต่ว่ามีแรงงานแล้วก็ทํางานมีพลังได้พอๆกับม้า3มตัวเลยละ่ะมีหลายวันที่ดูเหมือนว่าภาระงานทั้งหมดในฟาร์มจะตกอยู่บนบ่าอันบึกบึนของเจ้าบ็อกเซอร์เพียงตัวเดียวมันทํางานหนักมากตั้งแต่เช้าจรดค่ําทั้งดึงทั้งลาก แล้วก็เจ้าบ็อกเซอร์มักจะอยู่ตรงจุดที่งานหนักอยู่เสมอมันตกลงกับไก่รุ่นกระทงตัวหนึ่งให้คอยร้องปลุกมันก่อนสัตว์ตัวอื่นๆครึ่งชั่วโมงในตอนเช้าก่อนเริ่มงานปกติประจำวันและอาสาสมัครลงแรงทำงานใดๆก็ตามที่ต้องการแรงงานอย่างยิ่งคำตอบเดียวของมันเมื่อเกิดปัญหาอุปสรรคขึ้นก็คือขาจะทางานให้หนักขึ้น อันนี้เป็นคติพจน์ประจำใจของเจ้าบ็อกเซอร์เลยค่ะแต่ว่านอกเหนือจากบ็อกเซอร์แล้วสัตว์ทุกตัวก็ทำงานตามกำลังความสามารถของตัวเองเช่นในระหว่างการเก็บเกี่ยวไก่กับเป็ดก็ช่วยกันเก็บเมล็ดข้าวสาลีที่ร่วงเรียราดแล้วก็ช่วยไม่ให้สูญเสียข้าวไปได้ถึง9ถัง ไม่มีสัตว์ตัวใดขโมยอาหารแล้วก็ไม่มีตัวใดบนเรื่องส่วนแบ่งที่ตัวเองได้รับการทะเลาะเบาแววงการกัดกันการอิจฉาริษยาซึ่งเคยมีเป็นเรื่องปกติในยุคก่อนตอนนี้ไม่มีเลยไม่มีสัตว์ตัวใดเกี่ยงงานหรือว่าหลบเลี่ยงงานแม้ว่าเจ้ามอนรี มาสาวแสนสวยเนี่ยนะไม่ถนัดตื่นเช้าแล้วก็มักจะพรางานแต่วันอ้างว่ามีเศษหินติดที่กีบ <c oughs> คือเหมือนกับพวกหยิบโยงทั้งหลายในขณะที่พฤติกรรมของนางแมวนี่ก็พิลึกอยู่ไม่ช้าก็เป็นที่สังเกตกันว่าเมื่อใดที่มีงานให้ทำแมวก็มักจะหายหัวไปไหนก็ไม่รู้หายตัวไปครั้งลับเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วก็จะมาปรากฏกายอีกครั้งเมื่อถึงเวลาอาหาร หรือว่าตอนเย็นหลังเลิกงานนะคะถึงจะได้เห็นหน้าแล้วมันก็จะทำท่าทางไม่รู้ไม่ชี้เหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่านางแมวเนี่ยก็มักจะมีข้ออ้างดีๆอยู่เสมอบางทีก็มีการทำเสียงคลางออดซ้จนไม่มีใครตั้งข้อสงสัยในเจตนาของมันหรือว่าเจ้าลาแก่ที่ชื่อเบนจามินไอตัวที่มองโลกแง่ร้ายแล้วก็ไม่เคยหัวเราะเนี่ยนะ ก็ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงมันยังคงทำงานอย่างช้าๆไปเรื่อยๆเหมือนที่เคยทำมาตั้งแต่สมัยของนายโจนส์ไม่เคยเลี้ยงงานและก็ไม่เคยทำงานอาสาพเพิ่มเป็นพิเศษเคยทำแค่ไหนก็ยังคงทำอยู่แค่นั้นมันไม่แสดงความเห็นเรื่องการกรบฏและผลของการกรบฏเมื่อถามว่าไม่มีความสุขมากขึ้นหรอเพราะว่าตอนนี้นายโจนส์ไม่อยู่แล้ว เบนจามินก็จะตอบแต่เพียงว่าลามีอายุยืนยาวพวกเจ้าไม่มีใครเคยเห็นลาที่ตายแล้วสัตว์ตัวอื่นๆได้ฟังก็รู้สึกงงไปไม่เป็นถามต่อไม่ถูกเลยเมื่อเจอคำตอบที่เป็นปริศนาชวนพิสวงนั้นในวันอาทิตย์เมื่อไม่มีงานทำ อาหารเช้าก็จะสายกว่าปกติ1ชั่วโมงและหลังจากอาหารเช้าก็จะมีพิธีซึ่งปฏิบัติการเรื่อยมาทุกสัปดาห์ไม่เคยขาดเริ่มจากการชักธงค่ะสโนโบอลไปเจอผ้าปูโต๊ะสีเขียวอยู่ในห้องเก็บเครื่องเทียมสัตว์เป็นผ้าเก่าๆของนายโจนส์ก็เลยเอามาวาดกีบแล้วก็เขาสัตว์สีขาวลงไปธงนี้ จะถูกชักขึ้นสู่เสาในสวนดอกไม้ของบ้านไร่ทุกๆเช้าวันอาทิตย์สโนบอร์อธิบายบอกว่าการที่ธงเป็นสีเขียวเพื่อแทนทองทุ่งของอังกฤษในขณะที่กรีบและเขาสัตว์หมายถึงสาธารณารัฐของสรรพสัตว์ซึ่งเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อสามารถค้นล้มมนุษยชาติออกไปได้จนหมดสิ้นในที่สุดพอชักธงเสร็จเรียบร้อย สัตว์ทุกตัวก็จะแห่กันเข้าไปในโรงนาเพื่อร่วมประชุมสมัชชาสามัญที่เรียกกันว่าการประชุมใหญ่ในการประชุมนี้จะมีการวางแผนงานของสัปดาห์ถัดไปมีการเสนอและโต้แย้งมติต่างๆในที่ประชุมค่ะสัตว์ตัวอื่นๆเข้าใจวิธีลงคะแนนเสียงแต่ไม่รู้จักคิดเสนอมติของตนเอง เท่าที่ผ่านมาก็มีสโนโบอกับนบโปเลียนที่แข็งขันที่สุดในการโต้แย้งมติต่างๆแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าไอ้เจ้าหมูสองตัวนี้ไม่เคยมีความเห็นตรงกันเลยไม่ว่าตัวหนึ่งเสนออะไรขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็จะต้องขานแม้แต่เรื่องที่ตกลงกันไว้แล้วซึ่งยอมถือว่าจะคัดค้านไม่ได้ <laughs> เช่นเสนอว่า ให้การบริเวณคอกเล็กๆท้ายสวนผ ล, ลไม้ไว้เป็นที่พักพิงของสัตว์ที่ชราคือแก่มากจนไม่อาจทำงานได้อีกต่อไปแต่ก็ยังมีการเถียงกันว่าอายุเท่าไหรล่ล่ะถึงจะถือว่าเหมาะสมที่จะให้สัตว์แต่ละประเภทเนี่ยคือปลดกเกษียณหรือว่าเลิกงานได้เมื่อสิ้นสุดการประชุมใหญ่ก็มักจะมีการร้องเพลงสัตว์แห่งอังกฤษและช่วงบ่ายหลังจากนั้นก็จะเป็นเวลาของการพักผ่อนหย่อนใจ ตอนนี้พวกหมูได้การห้องเก็บเครื่องเทียมสัตว์เอาไว้สำหรับพวกตนใช้เป็นศูนย์บัญชาการและในยามค่ำคืนพวกมันก็จะศึกษาวิชาช่างตีเหล็กช่างไม้และวิชาชีพที่จำเป็นอื่นๆจากหนังสือที่นำมาจากบ้านไร่สโนโบอลอยังง่วนอยู่กับการรวบรวมสัตว์ทั้งหลายเข้าเป็นองค์กรที่เรียกว่าคณะกรรมการต่างๆของสัพพสัตว์ต มันทำงานนี้อย่างไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยค่ะสโนบอลจัดตั้งคณะกรรมาการผลิตไข่ไก่ให้กับพวกไก่แล้วก็จัดตั้งสันนิบาตหางสะอาดให้กับพวกวัวจัดตั้งคณะกรรมาการอบรมสหายที่ไม่เชื่องอันนี้จุดมุ่งหมายเพื่อฝึกฝนพวกหนูและกระต่ายให้เชื่องแล้วก็จัดตั้งขบวนการขนแกะยิ่งขาวให้กับพวกแกะ แล้วก็องค์กรอื่นๆอีกมากมายนอกเหนือจากการจัดให้มีการสอนเขียนอ่านโดยรวมแล้วโครงการเหล่านี้ล้วนล้มเหลวยกตัวอย่างความพยายามที่จะฝึกสัตว์ให้เชื่องก็ต้องเลิกล้มไปแทบจะในทันทีเพราะว่าสัตว์ที่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงเหล่านั้นก็ยังคงประพฤติตัวเหมือนเดิมและเมื่อได้รับ น้ำใจเอื้ออารีก็ถือโอกาสเอาเปรียบอย่างดือด้อๆอย่างเช่นแมวแมวเข้าร่วมคณะกรมมาที่การอบรมแล้วก็ทำงานแข็งขันอยู่ไม่กี่วันวันหนึ่งก็มีผู้เห็นนางแมวเนี่ยนั่งอยู่บนหลังคาบ้านกำลังพูดกับนกกระจอกสองสาตัวที่อยู่ห่างออกไปแค่พ้นอุ้งตีนเอื้อมตะปบแมวกำลังบอกนกกระจอกบอกว่าตอนเนี้ยสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนกันหมดแล้ว นกกระจอกตัวใดต้องการจะมาเกาะอุ้งตีนของมันก็ได้นะไม่ทำอะไรหรอกแต่นกกระจอกก็ยังรักษาระยะห่างเอาไว้ไม่ไว้ใจแต่ชั้นเรียนเขียนอ่านปรากฏว่าประสบความสำเร็จอย่างดีค่ะเมื่อถึงฤดูใบไม้ร่วงสัตว์แทบทุกตัวในไร่ก็เริ่มรูนังสือขึ้นมาบ้างแล้วสำหรับหมูหมูสามารถเขียนอ่านได้อย่างดีเยี่ยม สุนัขหรือหมาก็หัดอ่านได้ดีแต่ว่าไม่สนใจจะอ่านอะไรเลยนอกจากบรรยัญญติเจ็ประการแพะหรือว่านางแพะมิเรียลหัดอ่านได้เก่งกว่าบรรดาสุนัขอยู่บ้างและบางครั้งก็อ่านข้อความจากเศษหนังสือพิมพ์ที่มันค้นพบในกองขยะให้สัตว์ตัวอื่นๆฟังเจ้าลาเบนจามินก็สามารถอ่านหนังสือได้ดีพอๆกับพวกหมูแต่ไม่เคยใช้คุณสมบัติข้อนี้มันบอกว่า เท่าที่มันรู้ไม่มีอะไรคุ้มค่าที่จะอ่านคือมันเป็นสัตว์ที่มองโลกในแง่ร้ายแล้วก็แบบว่ามักจะคัดท้านอะไรกับทุกตัวอยู่เสมอส่วนโคเวอร์รู้จักตัวอักษรทุกตัวแต่ไม่สามารถจะผูกเป็นคำได้บ็อกเซอร์จอมพลังก็ไม่สามารถจำได้เกินอักษรตัวที่4คืออักษรดีมันจะใช้กรีบอันใหญ่โตของมันว่าตัวอักษร a b c d ลงบนฝุ่นที่พื้นดินแล้วก็จะยืนจ้องตัวอักษรเหล่านั้นด้วยอาการหูลูกบางครั้งก็สะบัดขนยาวที่ปกหน้าผากพยายามที่จะนึกให้ออกว่าเอตัวต่อไปนี่มันคืออะไรจำได้แค่เนี้ย A B C D ที่จริงก็มีหลายครั้งนะคะที่มันจำ E F G H ได้แต่พอจำอักษรเหล่านี้ได้มันก็มักจะลืม A B C D ไป ในที่สุดมันก็ตัดสินใจว่าโอเคพอใจกับอักษร4ตัวแรกก็ดีแล้วแล้วก็มักจะเขียนอักษรดังกล่าววันละครั้งหรือว่าสองครั้งทุกวันเพื่อทบทวนความจำส่วนเจ้าหมามอนลี่ไม่ยอมเรียนอะไรเลยนอกจากอักษร6ตัวที่ใช้สะกดชื่อของตัวเองมันจะเอากิ่งไม้เล็กๆมาวางเป็นรูปตัวอักษรอย่างประณีตแล้วก็เอาดอกไม้ดอกนึงหรือว่า2ดอกมาประดับจากนั้นก็เดินวนเวียนชื่นชมไปรอบรอ สัตว์ตัวอื่นๆในไร่ไม่มีตัวใดรู้หนังสือไปมากกว่าอักษรตัวแรกก็คือ A ได้มีการค้นพบอีกด้วยว่าสัตว์อย่างเช่นแกะไก่และเป็ดซึ่งโง่เขาวกว่าตัวอื่นๆไม่สามารถท่องจำบัญญัติ7ประการได้ด้วยซ้ำแต่หลังจากใครครววอยู่นานนะคะ Snowball ก็ประกาศว่าบัญญัติ7ประการอาจสรุปลงเป็นคติบทสั้นว่า4ขาดี2ขาเหลวมันบอกว่าคติบทนี้เนี่ย คือหัวใจสำคัญของลัทธิสัตวนิยมสัตว์ตัวใดเข้าใจและจำได้ขึ้นใจก็จะปลอดภัยจากอิทธิพลของมนุษย์ในตอนแรกพวกนกพากันคัดค้านเพราะดูเหมือนว่ามันก็มีสองขาเช่นกันแต่ว่าสโนโบอลพิสูจน์ให้นกเห็นว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นสาหายทั้งหลายปีของนก เป็นอวัยวะที่มีไว้เพื่อใช้เคลื่อนไหวไปข้างหน้าไม่ได้มีเอาไว้ใช้หยิบจับสิ่งของดังนั้นจึงควรถือว่าเป็นเสมือนขาเครื่องหมายที่แยกสัตว์จากคนคือมืออันเป็นเครื่องมือที่คนใช้ทำในสิ่งที่ชั่วช้าทั้งปวงนกไม่เข้าใจถ้อยคำยาวๆของสโนบอลแต่ก็ยอมรับในคำอธิบาย แล้วสัตว์ทั้งหลายที่ด้อยสติปัญญาก็เริ่มท่องจำคติบทใหม่ให้ขึ้นใจว่าสี่ขาดีสองขาเลวจะรึกไว้ที่ผนังด้านในสุดของโรงนาเหนือบัญญัติ7ประการแล้วก็เขียนด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่กว่า เมื่อส y o ว์ a ่องจําได้แล o วพ a n แกะก็รู้สึ o n ิดอก o ิดใจคติบทนี a อย่างยิ่งเว o n ที่มันนอนอยู่กลางทุ่งมันก็จะพากันร้องขึ้นมาว่าสี y o n In a canyon. c them... right a n ี o n า n a canyon. Canyon. In a canyon. Canyon. In a canyon. Canyon. a n o o เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปใน Animal Farm ของจ e o r g e o เ w e l well, l นักเขียนชาวอังกฤษสนุกค่ะแล้วก็เปิดให้ได้คิดตามจินตนาการทัศนคติของแต่ละคนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ในห้องสมุดหลังไม้นะคะ In เปลี่ยนบรรยากาศจากฟังเรื่องของคน มาฟังเรื่องของสัตว์ที่ไล่คนออกไปแล้วประกาศอิสรภาพจากคนวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าตอนที่สามของ Animal Farm สวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน this is Thai PBS podcasts this is Thai PBS podcasts